อืมนี่ไปทุระบ้านแพงสมวุวรตอนเย็นไปไปถึงนู้นสองทุ่มอย่นะพระชนิกพระฉันจะเล่ามาเลยวันนี้จึงมาถึงทเที่ยงพอดีกําลังจะทเที่ยงถึงที่นี่แล้ววันนี้อากาศเย็นพอสบายสบายหน่อยจึงได้มาเทศน์ถ้าอากาศร้อนอากาศอบอ้าวเนี่โอ้ท่าขันก่อนะวันนี้รู้สึกว่าค่อยดีหน่อยจึงได้มาเทศน์พระเลายเนินเทายเนีน่ย ฮะฮะมมึงกันแน่นอยู่ตลอดใช่ป่ะไงก็เคยประกาศเคยบอกกันอยู่แล้วมึงมันเ ย, ย, ยอะแยะเยอะแยะนะข้างานนานเรื่องเวลาอะไรผนกันดีหลังนี้ไปถึงบ้านแพงคุลังกาดีตลอดเลยไม่มีที่ต้องจิร์แลผลขายน้ำเหมือไปหมดน้ำเต็มไปหมดเลย ว่าที่ไหนจะบกบางมากไหมนี่ทางโน้นนะทางอําเนบรัมพูไปทางนน้นฝนไม่ไปตกไม่ทราบยางไงปีไหนเหมือนกันมันจะแห้งแล้งอยู่ก็มงไปวันเอาของก็ถวายท่านเจ้าคุณเทพเวลารังการนันก็ก็ยังมันแต่นี่ทางเราก็ยังไม่เท่าไหร่ังนู้นก็บอกกัน <c oughs> ลเลื่อนแล้วก็เหนื่อยกไมไ่เท่าไรวันนี้พอถูพอไถไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นโไปไม่ได้จริงๆมันอ่อนอ่อนแลมันจะไม่เอาไหนเลยนะท่าขันขันห่านี้ยจะไม่เอาไหนเนี้ยชุดลากอะไรันก็ไม่อยอมไปตัวลงก็ต้องด้หยุด สำคัญในรับทำอะไรเอาแต่ความยากความหนาบางซึ่งเป็นเรื่องของที่เหียดล้นล้วนเข้ามาขวางที่ความเพียร ม, มันถึงไม่เป็นเม็ดเป็นมลนี่มันกําลังใจเนี่ยสําคัญนะสำคัญมากจริงนะผมไม่เห็นคุณค่ามากก็เหมือนได้ช้าอันหนึ่งเหมือนกันนะในหัวใจของเราเองที่เคยเป็นนู่นล่ะที่เคยอย่างที่เคยเล่ามู้เพื่อนฟัง มนจะบทที่แรกเริ่มอ่านพุทธ ว, วัตรน้ำตาล่วงเวลาพระองค์ทรงทรมานแด้รับความทุกข์ความบากถึงขั้นสลบสลายโอ้สงสารพระองค์น้ำตาล่วงไม่ลืุนะนี่เวลาถึงขั้นท่านเดยกลับไรู้ทำแดนอัศจรรนี้อันนี้ก็น้ำตาล่วงอัศจรรย์ท่านเนี่ยฝังใจนะการได้ยินใน้ฟังฝังใจ อ่านประวัติของสาวกอีกองค์ใดจะก็สาวพะสาวกก็มีหลาชาท่านมัน น, นั่นเป็นไปหมดมันเป็นกษัตริย์ก็เยอะนะ ว, วงกษัตริย์ก็เยอะเป็นกษัตริย์ก็เยอะเอ้ออกมันพเนื้อได้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเลยอะไรเลย กับกิจการบ้านเดินโลกสงสารอะไรมุ่งหน้าปฏิบัติอย่างเดียวอย่างเดียวคมนี้จัดจะรู้บันรู้ทำบันรู้ทล้วครับ อ, ออกมาแล้วพุ่งพุ่งเลยเนะยี่ยท่างกับเป็นกําลังใจเหมือนกันออกแล้วไม่ห่วงอะไรเลยแม้จะขันนึกเป็นกษัตริย์ยังยังทรงตำหนีเจริญสั้นเป็นอย่า ง, ง, ง, งพระมหาก็บินเนะวลาเป็นก็ กษัตริย์อยู่โจะเป็นจะตายไม่หลับไม่นอนนั่นแต่เ้าเสกสรรตัญญา่ว่าเป็นของหญิงดีเอ้าพูดรักข้อรับกรรมเราจะตายเขาไม่รู้นะเวลามาบวชปล่อยความกังวลทั้งหลายมันได้แต่จะรู้ว่ามันรู้ธรรมแล้วหาความกังวลเรกลับอะไรไม่ได้เลยก็อดที่จะเป็นกุฏิทานไม่ได้นะเอากุฏนะิทานสุขข้างว่าตายข้างว่าตายสุขหนอทุกหน อ, หน อ, หนอไม่ได้แน่ตรงนี้ นี่กเป็นข้ติดตัวอย่างในมากอ่านประวัติของตั้งซึ่งไปอีกนะเพิ่มเขาอีกกับประวัติพีจาเนี่ยมาซึ่งกความก็ซึ่งในหัวใจนี่อันนี้มันก็แสดงอาการออกมาจากความซึ่มนั้นความหวังลงมาหวังจะพ้นทุกเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีข้อสงสัยอย่างที่เคยพูดเพราะเราก็ก็คิดเหมือนอย่างในโลกแต่ก่อนเลย ที่ว่ามรรคผนิพพานหมดเ็ศหมดสมัยแล้วหรื อ, อยังอยู่นะเวลนี้ศาสนาจะมรรคผนิพพานจะยังมีประจําศาสนาหรือไม่หรือว่าหมดเกศมาสมัยไปแล้วแล้วความอยากไปอยากเป็นพระอรหันต์หรือความอยากหลุดพ้นจากทุกอยากอยากมรรคผลนิพพานนี้เต็มหัวใจจะมีข้อข้องใจเนี่ยเนี่ยมันมาตัดทอนมันอยู่อย่างนี้จะว่างไงมันจึงได้มีอีกข้อหนึ่งทึ่งเป็น เพราะดีดเลี่ยงอันสั่งนี้ออกไปโดยเราไม่มีเจตนาอะไรเราเรานี่อยากทราบเต็มหัวใจว่าท่านผู้ใดที่จะมาแสดงให้เราฟังทำแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ลงใจได้ว่ามากปณิพันธ์ยังมีอยู่นั่นเราจะกราบครูบาอาจารย์ท่านผู้ น, นั้นอย่างถึงใจแล้วเราจะเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยนู่นนะฟังนี้จะไม่มีคําว่าถอยอ ขอให้ทราบชัดเถิดว่ามรรคผลอิพานยังมีอยู่ยังไงเราจะเอาให้ได้อย่างเดียวเท่านั้น่ะเรื่องถอยไม่มีเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ลงใจตรงนี้เถิดนั่นสิแล้วก็ยิ่งไปเไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นโอ้เหมือนกับว่าท่านจับเรเด่านะไว้หมดเรเด่านั้นจับเราไว้หมดเรื่องเลยเหมือนว่านี่หนาหนี้หน้าหนี้หน้าอย่นี้ท่านถอยออกมาจากหัวใจสิหน้าห น, น้า โอ้โลงใจล่ะหายสงสัยหมดเดี๋ยวมาขุนนิพพานว่มีด้วยไม่มีก็ท่านมาแปลให้ดูอยู่นี่อยู่ว่างไรนี่เห็นไหมเห็นตาบอดเลยอย่างนั้นอ่างั้นดยู่ว่าลงใจเต็มที่เลยพอลงแล้วที่นี่ก็มาถามตัวเองที่ที่นี่จริงไหมที่นี่วะเนี่ยหาของจริงเขาหาเนี่ยที่นี่เจอแล้วถึงใจแล้วขานี่ยไม่มีที่ สงสัยแล้วทีนี้จะจริงไหมแ้วทั้งนี้ก็นลาบกันเลยจริงที่ข้อหาของจริงแล้วหนุนฟังที่จริงเดเพราะฉะนั้นมันถึงได้หนักมากแล้วพูดถึงเรื่องนินสัยวาสนาผมนี่ผมอยาบมากจริงเพราะมีแต่หนักๆแต่มันสําคัญที่ อ, อกําลังใจในที่มันไม่ถอยนะนักขนาดไหนมันก็ ก, ก็ยอมรับว่าหนักแต่ไม่ถอยเนี่ยสําคัญเนี่ยกําลังใจจริงว่าสําคัญความมุ่งมั่น เป็นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นดึงดูดได้หมดจะให้ถึงแดนนั้นแดนนอย่างนี้ถึงความพทุกข์เราก็พูดเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าก็มันเป็นอย่างนั้นเราก็พูดตามเป็นอะไรก็จะผิดที่ตรงไหนเม่อกี้เรนมันยังออกเป็นปัานได้ธรรมะจะมาออกมาตีของเรได้แล้วคนเรามุ่งจะเป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระอรหันต์แน่ๆว่าอย่างนั้นก็เป็นก็เป็นตายนั่นหละคือความมุ่งมั่นอยู่ถึงนั้นจะให้พ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้น เอาตาก็ตายเป็นไม่ถอยเลยวะ น, นี่หนักขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าหนักเช่นอย่างกิเลสมันเหยียบหัวเราไปทับหัวเราไปจนน้ําตาร่วงก็ก็ก็ยอมรับว่าชูขึ้นมาได้ตอนนี้แต่ยังไงกูจะเอามือให้ได้นี่นะอันฟังดิอย่างไงมึงก็จะต้องพังจะได้นะ่ะอ่ะมึงจะเก่งขนาดไหน ว, วะนุ่นน่ะมันยิ่งเจ็บยิ่งแสบเท่าไรมันก็เป็นมากอันสําคัญนะคอน คิดควาเก็บความแสบอันนี้มันเป็นมากคืมีพลังใจที่จะฟัดที่ให้พังลงไปนี่เดียวไหนบอกมาข้าไม่เข้าในเวทีแตกอนมันไม่รู้นะว่ามาักมัจิมาปฏิบัติเทาถึงกล้าพูดอะไราไมาไงมัจจิมาปฏิบัติเทาเดินทางสายกลางมันกลางยังไงนะไม่รู้เรียนมาจนเป็นมหาก็แบบมหาปัญหาพ่อแม่คูอาจารมันแบบมหาอะไรท่านแสดงไว้หมดแล้วมรรคผลที่ผานนี่บกพร่องที่ตรงไหนก็มันบกพร่องที่หัวใจของเรานี่ ความสงสารจนเท่นเต็มอยูในหัวใจทั้งๆที่จําได้อยู่นั่นน่ะนี่ที่ทีงได้ไปพอได้ลงใจท่านอ้าวหน้าที่นั่นเห็นไม้มน่ะเป็นก็เป็นตากระตางก็ว า, า, าดกันเลยสําคัญที่ความมุ่งมั่นนีแมมีกําลังนี่จะเป็นพาให้ดึงถุดลากเราไะความมุ่งมั่นกําลังใจนี่ดูอย่างจิตเสื่อมนี่แม่ไม่มีวันลืมทั้งวันตายนะ โอ้ทำไมต้องไปทุกข์มากมานะิดเสื่อมเพราะเราเคยจินขอเรามันเคยสงบจนแน่นตึงเหมือนหินน่ะก่อนที่มันจะเสื่อมไม่ได้นึกเลยว่ามันจะเสื่อมที่นี้เราม่รูวิธีปฏิบัติรักษามันนะซินี่ยที่มันเสื่อมพออันนี้เองเข้าเมื่อไรได้เข้าเมื่อไรได้นลยแมไม่เข้ามันก็แน่นตึงกำหนดดูมมันเหมือนกับหินหินมันเป็นสมาธินี่ที่นี่แหละที่ว่ามันเสื่อมเสื่อมได้อย่างนั้นเองสมาธิ ทำกดหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสร็จเข้าได้บ้างแม่คือเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างโอตายนี่มันเสื่อมท่านี่ก็หยิบเอาหยิกดมาร้อยร้อยร้อ ย, อ ย, อยมุงกดเลีเเลยบทเสร็จล้วแข็งเลยมันยิ่งเสื่อมไปเลยเลยเสื่อมจนไม่ทา่งเข้าไม่ได้เลยเอาทีเนี่ย มันส่วนไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นมันไปเองด้วยหลักธรรมชาติของมันนะอ๋อฉุดลากขนาดไหนมันจะลืมได้ยังไงมันมันมันถึงกันแค่ไหนัถึงกันที่ด้วยความทุกข์ความลำบากความต่อสู้ที่จะเอาสมาธิให้ย้อนให้ให้กลับเสื่มันไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนะอ๋อจนหมดอะไรจริงๆนะที่นี่จิตมันเป็นไฟที่มาสิเนี่ยที่มามันทุกข์มากนะเมื่อสมาธิไปแล้วมันเสียดายนั่นน่ะอเรื่องที่มันทุกข์มากเพราะมันชสีดายสิ ที่เราเคยได้รูได้เห็นเคยเป็นมันจะได้ขึ้มันถึงได้ทุกข์อามากมากยก่ากองพยายามาพัดกันกลคืนไม่นอนเลยพวามันจะเร่งขึ้นจะเร่งขึ้นเอาใหญ่เอาใหญ่จะาม่ให้มันเสื่อมพอไปถึงที่แล้วอยู่ไม่ได้เพียงสองสัปไม่ได้ดถึงสามวันนะประมาณสักสองวันหรืออย่างมากกว่าสาวันแล้วค่อยเสื่อมลงแล้วท่านนี่นก็ไม่อยู่ไม่ถอยเหมือนกับกิ่ง พกขึ้นบนภูเขาเนะี่ยเขากมันหนักปิ่งไปยิงไปรไปดือก็ทับกิ่งทับหัวเราไปได้สบายสบายเลยแล้วมีกําลังต้านทานนี่สิมันเสื่อมไปไต่ตอหน้าต่อตาไม่ไม่ใช่เป็นของที่จะลืมได้นะมันฝังลึกอ๋อเสียใจเสียใจยังไงเน่ะมันเสื่อมไปครั้งนี้อีกก็เสียใจอีกไม่ว่าแต่มันเสียดาเสียใจมาแต่คราวที่แล้แลวนะเสื่อมครั้นี้ก็เสียใจครั้นั้นก็เสียใจ พยายามเอาขึ้นไปทิศสีจุห้าวันมันถึงจะขึ้นถึงนั่นแล้วขึ้นไปอยู่ได้สองวันสามวันแล้วเตื้อนลงอีกตัวหน้าตอตาเนี่มันขึ้นมันลงอยู่งั้นอ่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นในผมเองนี่แบบนยแต่มีในตหนักตอนไลน์มัมีประการมันก็เป็นอย่า ง, า ง, างนี้อยู่นะยไม่พูดคือว่าเอ้ยเสียลสตลาดทั้งหมดขานี่ก็คิดเองงั้นแหละนะไม่มีใครมาบอก ข่าวนี้เอาปล่อยเลยเอาไหนไม่เอาเอะไรล่ะอยากให้มันจเจริญทั้ไนั้มันก็ไม่เจริญเจริญเนี้ยไม่ให้มันเสื่อมให้ได้มันก็นเสื่อมแต่เราเาตาที่นี้ไม่เอาไหนล่ะจะเอาพุทโธเนี่ยนี่ก็ไม่ดีพุทโธนี่แหม่ต่อยไม่ปล่อยเลยนะที่นี่มันก็นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้ น, น, นอ่าวเรจเเริญก็เจริญเสื่อมก็เสื่อมไม่ไปเสียดายมันนะ่ะขาวนี่นะิจะเอาแต่นี่เจ่สำหรับพุโทโธนี่ไม่ปล่อยเป็นก็เป็นตายก็ตายอ่ะอันนั้นจะเสื่อมเสียไป มันทอดอะไรตายายเรื่องก็ขึ้นเลยขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วไม่ใช่ยดายแล้วไม่กลัวว่ามันจะเงนินแต่ก่อนมันทั้งกลัวทั้งอะไรเนี่ยนี่ไม่เอะไปเกี่ยวกันแล้วก็ไปเถอะเราได้เคยเล่นกับมันกะพอแล้วอเรื่องความเสื่อมมันนี่น่ะบังคับมันเท่าหร่มนก็ทับหัวเราไปต่อหน้าตานี่อ่ะเสื่อมไปพุธโธไม่ปล่อยคอันนี้แ่ะวนี่มันก็อยู่อยู่อยู่พุธโธไม่อยู่ เวลาจิดของเรามันสงบเต็มที่แล้นะพุทโธกับความรู้นี่มันกลมเกินกันเป็นอันเดียวกันเลยนะแต่อย่งไรก็ตามเพราะความเข็ดลับเนี่ยพุทโธพุทโธก็เลยไม่เป็นพุทโธเพราะมันรู้มันเด่นเด่เด่นว่าพุทโธหรือไม่พุทโธมันก็อันเดียวกันนั่นนี่แหละพูดในเรื่องว่ามันมันมันทุกข์มากจริงๆนะผม ไมทุกจนเข็ดตอนนั้นถึงๆได้จริงๆได้คาดจำเป็นอย่างเต็มที่นะเศรเหมือนกับว่าทําสัยวัันสญญาต่อกันนะเอาถ้าทุกเสื่อมไปคราวนี้เราต้องตายใช่ไ้มไม่ใช่มันจะตาย ด, ด้ยเหตุใดนะมันน่าจะไม่อยู่ได้จริงๆนะถ้าลงทุกข์ก็ขนาดคราวนี้ถ้าลงเสื่อมไปคราวนี้เราต้องตายจนเป็นอย่างอี่ไปไม่ได้หนระือเปล่าเอากันใหญนะ่พอมันได้ที่แล้วผมไม่ลืมนี่ ก็อยู่มั่นนาที่นวลนะเราจะเดินได้อีกหนาที่นวนตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ไปผาศพเนี่ยหลวงปู่เสารัเนี่เราอยู่เฉพาะเราพระองค์หนึ่งนี่ไงนะลืมแล้วสนุกฟาดถึงทั้งวันทั้งคืนนะไม่ยอมให้เถอเลยโอ้นี่ก็เป็นกอ ง, งทุ่งใหญ่เหมือนกันนะ มันจ้องอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ทุกอย่างไงเพราะฉะัญอยู่ที่กําลังใจนะที่จะให้จ้องได้ตลอดไปนะกําลังใจไม่ถอยไอ้นั่นไปนั่นมา ถ, าถงจะเดิขึ้นแล้วมันไม่เสือ่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปสิว่างั้นเลยนะไปนั้นก็ไปเถิแต่พุโทโธนี้จะเสื่อมไปไม่ได้ยิ่เมื่อยังไม่ตายพุโทโธที่ต้องติดว่างจะกระทั่งมันขาดหัวใจขาดดินไปนี่มันก็ไม่เสือ่อมไม่รู้ทำให้รู้ได้อ๋อ นั่นเป็นเพราะความเราสัญญาอาดีตความสำคัญมั่นหมายไปเป็นอย่างนั้นนั่ น, นี่นี่เวลาเราเข้ามาวงปัจจุบันนี่แล้วเอาแต่พุทโธโถนอะไรจะเป็นอะไรก็ตั้งไม่สนใจมันก็เข้าได้นี่นั่นยังก็ตั้งไปรับท่านที่ไราบพานมกลับมาอยู่บ้านนม้มนนั่นแหละทานีตั้งแต่นั่นแหละนะเอา เากใหญ่เพราะเดินมันเดินมิถุนาแล้วมั้งท่านไปเดินเมษาเท้าสมนี้เป็นวันไหนคงจำไม่ได้เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนจำไดนะ้ถ้ากลับมาถึงน้ำมนต์ที่ฟ้าดใหญ่เนี่เที่ยวๆมันเอาเพราะความเฉียดแค่นี้นะท้ายถึงขนาดนั้นนะ่ะเฉียดเพราเราจริงเชื่อได้จริงๆเลยเชื่อลงฝังลึกว่าความเฉียดแค่างนี้เป็นมักนะ ความเจ็ดแขนมากอะไรนี้ยิ่งฟัดกันลงอย่างหนักเลยโอมันแค้นขนาดนั้นนะเอาให้ส ะ, จะใจไว้บางอัเะเวลามันเอาเรามันเอาขนาดนั้นคราวนี้เราจะเอามันไม่ถอยเลยนะอย่างนั้นมันมันจะหามลูกหางกาได้ไงนั่งโาวนานะนี่ที่ว่าความเจ็ดแสนนี่ฉันไปเห็นความอัศจรรย์ในเวลานั่งตลอดลูกไม่อัศ จ, จรรย์จริงนะนลงแบบไหนก็นไม่รู้ มัน้ยแต่ไม่เห็นยู่ในใจหัวใจนี่ว่าไงเวลาสติปัญญาฟัดกับเรื่องทุกขเวทนามันทุกขมากจริงมันจะตายมันเหมือนกับมันจะระเบิดหน่อน่ะเนี่หมดอะไรอะไรไม่มีเหลือเลยกระดูกต่อกันที่ตรงไหนไม่ไหนมันลุ่หมดเลยมันเหมือนกับระบุมหมดเลยในตัวนี้มันจะเน่าเฟะหน่อยครางมันไม่ถอยเสิอันนี้ก็มีหน้าคิดอันหนึ่งนะที่ที่ว่าท่านวัด อริยสัจต่างทุกข์เขาอริัต่างว่าทุกข์เป็นของจริงถ้งมือไทยเป็นของจริงมากอนิโรธมากเป็นของจริงจริงยังไงให้มันเห็นของจริงนี่น่ะเรื่องความทุกข์มากน้อยอะไรนั้นไม่อยากให้หายคืออยากหายแต่มันยิ่งกําเริบนี่เห็นแล้วออกข้ออยากหายมันเป็นทถ้ามือไทยเนี่ยไม่ไม่หายหรือไม่หายตายก็ตายสิว่ะแต่จะยังไงก็ให้รู้ขอให้รู้ความจริงคือทุกข์ก็เป็นของจริงจริงยไง อม่รู้เนี่ยแหละจิตมันฟัดกันแต่แยกกันที่เคยพูดนะ้วเนี่ยมันยนี่ทุกมากเท่าไรจิตมันอยู่ไม่ได้นะสติปัญญาอยู่ไม่ได้หมุนเป็นธรรมจักรเลยฟัดเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นข้างแนกที่มันอัศจรรย์มากมายก็ไม่มีใครบอกว่านั่เป็นโดยอุบายวิธีการมจของอะไรมันจะตายยิงมันช่วยตัวเองอย่างว่าน่ะมันคลิกไปพลิกมาสติปัญญามันหมุนติ่อยู่แล้วก็ลองถึง ของจริงเนีองก็ทุกการแสดงดับหมดอ๋อความอัศจรรย์อ๋ออย่างนี้จิตนี่ทั้งๆที่ในยานังอวิชามก็มีนะแต่เมื่อได้ไปอัศจรรย์มันงานโอ้โหขนาด น, นี้จะเหลือจากนั้นมาแล้วมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าได้ท่าเอาใหญ่เลย อ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้มันกล้าหันเลยดิเนี่มันเห็นมันรู้ในนั่น้วันต่อไปนี่มันจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามเพราะสกิบวิญญาณมีแล้วตั้งแต่คืนแรกที่เรานั่งตลอดรุ่งคืนแรกเราได้รู้ได้เห็นยังไงพี่นายรู้ได้เงไงมันเป็นสกิบวิญญาณได้เป็นอย่างดีเป็นกําลังใจได้มากทีเดียวจึิงว่าถอยไม่ได้มันจะทุกข์ขนาดไหนเอาถึงแค่ตายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ถึงขั้นตายเนี่ย ถึงขันจะทุกเฉยเวลาจะตายมันยิ่งทุกข์มากกว่านี้มันจะ อ, อะไรไปต่อสู้วะนีวาดกันลงอีกมันลงสังสองอย่างสำหรับผมเลยนะลงอย่างหนึ่งนั่นพอพอมันรอบนี่ยนเะพิ่หมดไก่ทุกข์เนี่ยเหมือนดินระเบิดไหมเพิ่มทุกข์นี้ดับไปพร้อมเลยพอรอบสำหรับมันพิ่หายหมดนี่นเหลือแต่แดนอจจัศจรรย์อันหนึ่ง จิตนี่ที่มันอัศจรรย์อ๋อเหลือแต่จิตอันเดียวนอกนั้นหมดดูนะดูล่ะทีนี้พอถอนขึ้นมาแล้วพอถอนขึ้นมาแล้วทุกเริ่มเอกนะพอจิตถอนขึ้นมาแล้วทุกเริ่องหมดไา อ, อนะีกเอากันอีกแต่สําคัญที่อุบายน่นาอ๋อต้องเป็นปัจจุบันนะคืออุบายใดที่เราเคยได้แก้ไขกันกับกิเลสได้มาเป็นลําดับดานในที่ผ่านมาแล้วเราจะเอานั้นมาใช้ไม่ได้นะ มันต้องได้คิดใหม่ค้นใหม่ทั้งหมดถ้ามันซ้ำของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันอย่าไปคิดว่าอันนั้นเราเคยใช้แล้วเราไปเอานั้นมาใช้อุ้บเป็นมันเป็นปริยัติหรือว่ามันเป็นอดีตสัญญาอดีตไปแล้วมันได้เป็นของความจริงในปัจจุบันให้มันก็แก้กันไม่ตกต้องได้พลิกใหม่ปัจจิปัญญาพลิกใหม่เรื่อยๆเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้ถ้าเอามาด้วยความสําคัญนะถ้ามันเกิดขึ้นมาด้วยโลกปัจจุบันจะเป็นของเก่าก็ตามมันก็เป็นปัจจุบันได้น อันหนึง่งอันที่อนนสองเวลามันรอบของมันแล้วมันรอบจริงๆรนี่ทุกมันจะขนาดไหนมันก็เป็นความจริงมันอยู่นั่นนันมันไม่ได้มาเข้าถึงใจมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นเพื่ว่าทุกเป็นของจรอ๋อเป็นอย่างนี้เองทำมาทุกเป็นของจริก็เป็นอย่างนี้เอ ง, อาอา ง, เองกายกับศัพท์ว่ากายจิตสตตัวจิตที่แรกจิตไป็หมายนะว่าอันนั้นเป็นทุกอย่างเป็ทุกเพราะไล่เข้ามาเนี่ยคือต้อนสมุไทัยไล่สมุไทย สุนุทัยอาเลยสัจจังพ อ, พอตาเข้ามาทาเข้ามาเมื่อเมาถึงตัวจิตกึกมันออกไปจากเนี่ยตามถึงตัวจิตกึ๊กอันนี้มันก็ไม่มีอะไรไปหมายเลยสีสิ่งนั้นจริงเป็นของจริงเต็มที่เลยทีนี้บามพีนาดูจิตก็เหมือนกันจิตกึกก็มีแต่จิตไม่เป็รู้ๆเท่านั้นไม่เห็นไปสําคัญอะไรกับสิ่งใดเลยนะเวลามันรอบอ๋อคําว่า กายเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เวทนาจริงจริงอย่างนี้จิตเป็นของจริงจริงอย่างนี้เนี่ยทุกข์เป็นของจริงๆริงนี้สมุทยจริงจริงอย่างนี้จริงนี่มันก็ลาบไปหมดทีนี้ทุกข์จะมีอยู่ก็ตามนะมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจิตได้เลยนี่ก็เป็นของจริงอะไรไม่ไม่กระทบกันจริงที่ที่พูดว่าไม่กระทบกันหวันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบไม่กระทบจริงนี่นะมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ่งได้ธรรมดาธรรมดาแล้วเลยมันไม่ได้เข้าถึงจิตต่างอันต่างจริงจะกระทบกันได้ยังไง อันหนึ่งปลอมหนึ่งจริงเลยสิไม่กระทบกันเี่ยที่ว่าอ๋อสะใจนี่ได้ทุกมากขนาดนั้นก็มีเครียดมันแค่้นเวลามันเสืมม่อมนแม่ไม่มีอะไรร้อนเท่าเลยนะ <S <S ถูกๆอยู่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟมีที่อันหนึ่งที่ว่าไม่ถอยอะไรเลยถ้าลงถอยแล้วเสร็จนี่มันไม่ถอยจะเอาให้ได้อย่างนั้นทุกขนาดไหนเป็นไฟอยูหมดตั้งกองในหัวใจนมัจะเอาให้ได้ นี่อนเนกที่ว่าความมุ่งมั่นความเอาความไม่ถอยี่เป็นกําลังใจสําคัญนะถ้าขาดกําลังใจอย่างเดียวความเพียรนั่นก็เป็นห่าหรือเล้ยวแหลกๆอไปเลยกําลังใจสําคัญมากนะยินได้เห็นผลมากจริงๆเรื่องกําลังใจเห็นผลจนมันก็เที่ยวพึงใจพอใจหาที่ต้องตีก็ได้แล้วที่พลังของใจกําลังใจความมุ่งมั่นอย่างไรเป็นกําลังมากที่จะ ด, ดึง มันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันก็ดึงไปข้างหน้ามันไม่ได้ถอยหลังเมแล้วมันลงถึงที่แล้วแต่อาการต้องลงจะลงนั้นมันต่างกันนะเพราะการที่จารณาไม่ใช่จะซ้ำแบบเดียวกันและแต่อุบายวิธีการที่จะขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันฟัดกันในตรงนั้นแต่เวลาลงไปถึงที่แล้วมันก็เหมือนกันอัศจรรย์อันเดียวกันหมดทุกข์มากนี่แหละที่ว่าเอาให้อีกให้สะใจนะ แล้วมันก็มันก็ทราบได้แล้วที่ว่าความอยากอะไงเป็นสมุทัยความอยากไรเป็นมาอยากอะไรอะไรก็จะอยากไปสวรรค์จะไปนิพพานก็ก็จะเป็นกิเลตไปหมดอะไรก็อยากอะไรก็เป็นกปิเลตมันความอยากมันจิเลตให้มันไปกินหมดอะไรอยากอะไรก็อยากไม่ได้อยากไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ก็อยากลกแล้วโลกสิที่ว่าไงไปตามกิเลตนั่นไมันแช่คนตายนี่นะทําไมจะอยากไม่ได้ือ เราเห็นได้ชัดเจนตอนที่ว่าอยากเนี่ยมากอะไรเรื่องอยากค้นทุกหร อ, อยากรู้อยากเห็นของจริงนี่มันเด็ดเท่าไรมันยิ่งพุ่งพุ่งนั่นที่นราเห็นชัดเจนว่าอ๋อความอยากนี่ชนิดนี้เป็นมากนะ่นความความอยากมันห้าวหาญขนาดไหนหนักแน่นขนาดไหนความเพียรมันยิ่งผงผงเลย น, ะนี่อ๋อเราเห็นชัดๆอยู่นี่อ๋อนี่ความอยากเป็นอย่างนี้เพียกว่าเป็นมากนู่นที่นี่เอาเราจะออกจากนี้ไปแล้วเราก็พูดถึงเรื่องขั้น ของสติปัญญาอัตโนมัติคือืมมัน จ, จุดเดียวมันรุนแรงขนาดไหนอะไรจะมาขาดมาหวังมันได้ขาดาไปบั้นไปโน่นความที่จะเอาให้พ้นอยากหรือไม่อยากฟังสิอือนั่นความความอยากคนนี้มากเท่าไความเพียรมันยิ่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละจริงจนี่ความอยากอัอ น, อนี้เป็นมากมันก็ชัดแล้วสิเมื่อได้ขึ้นเวทีแล้วมันรู้เข้าสู่สงครามแล้วรู้ วิธีการแนวรบ ต, ต่างๆพูดได้ทํำไมพูดไม่ได้ไปเจอซะเองนี่ในแนวรบวะอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นเวทีเองฟันกับยิ่งเดชทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าท่านเอามาจากไหนท่านมาพูดมาสอนโลกอย่างเนี้ท่านเอามาจากความจริงนี่ก็ความจริงเหมือนกันอันเดียวกันกับพูดทีเจ้าเป็นเพียงว่ากว้างแคบต่างกาันไม่ขึ้นนะบางต่า ง, างกาันตามวิสัยของท่านของเราเท่านั้นแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะแน่ก็ธรรมะเพื่อให้รู้แท้ไม่ใช่เพื่อให้หลงธรรมะไม่ ดรืจะมอบ่ามอคิดเด็ดมันปิดปากทั้หมดถ้าเป็นเรื่องของทํานั้นพูดไมาได้คิเด็ปิดปากไปหรือฟาดปากคิดเด็มันตากแตกไปเลย <c oughs> พูดมันถึงที่หมดคิเด็ดมันก็มีปากเหมือนเราปากคิดเด็ดเหมือนปากเราเลยเนะไต้หรือปากเราเลยสิมันไปหาพูดอะไรอย่างนั้นมาเราดูเห็นเรื่องว่าความมุ่งมั่นกําลังของใจนีมากพอไรไรหน่อะมันเป็นมากยิ่งมากเด็ดมากเกี่ยวมากละเอียดละอเอข้าไปเป็นลําดับลาดานนะ มันให้มันเห็นอย่งนั้นดีมันถึงมาพูด ม, มันถึงไม่สะท้านแล้วแน่ใจนี่ในการพูดมัน ก, ก็ขึ้นเวทีมาอย่างนั้นนี่ได้แพ้ชนะก็เห็นมาประจกักรพูดแล้วจะผิดไปไหนวะนี่ยเพราะฉะนั้นทในการสอนนี่เรียอพูดกับมู่เพื่อนผมไม่ได้สงสัยในการสอนผมว่างงันเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มหัวใจเลยไม่สงสัยด้วยว่าจะผิดไปไหนอ่าก็ขึ้นฟัดที่เห็นมาแล้วจนเดินตายมาแล้วทีงมาเาหมู่เพื่อนหมู่เพื่อน เห็นประจักษ์เนี่ทําอยู่ประจักษ์อยู่ของหัวใจแท้บอกพุทธเจ้าสอนลงตีนี่ามันความจริงเข้าถึงกันนั้นทำไมมันจะพูดไม่ได้มันทำไมมันจะรู้มันจะดูแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะอืมอ <Turtle survival> ันอย่างนั้นน <t abdomen> <t iden> ี่คือเหี่ยมัตจิมาถึงไม่รู้ว่ามัตจิมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองวัตจิมาคือมัตจิมาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดตามเอื่อของพิเดียพิเดียมันมีขนาดไหนพิเดีย ที่มันถาด ม, มาันฝนมัชฌมามันก็ต้องถาดฝนกันไม่งั้น ไ, ไม่ได้นี่ไม่ทันกันนะวิเศดมันเด็กธรรมะต้องเด็กความเพียรต้องเนตพอถึงขั้นที่ละเอีย่างแล้วเราจะไปทาอย่างนั้นก็ไม่ได้มันเฉพาะเหมาะกันนั่นแหละเรื่องมัดเรื่องสติปัญญากับเหมือนกับเราไม้ตัวเดียวนั่นแหละควรจะถากจะตัดจะฟันนี่ต้องถากต้องตัดต้องฟันอืมคนจะเลื่อยต้องเลื่อยแต่พอถึงขั้นที่เฉดสายกบแล้วเราจะไปฟันอย่างนั้นก็ไม่ได้แน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอน แล้วลงแชลักเดี๋ยวแล้วแล้วจะเนี้ก็ไปแตะไม่ได้นะนั่นอันนี้พอถึงขั้นลงแชลักเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเต็มที่แล้วบริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไปแตะมถึงไหนกิเลสมีตัวไหนจะมาให้แตะวะเผาศพหมดด้วยตปะธรรมแล้วนั่นต้องอย่างนั้นอันนี้ก็มีจะพูดห้วยปากเดียวนี่มันจะตายแล้วนั้นใจมันเป็นยังไงไม่ใจพระกรรมฐานจะแจ้งมันทําไมมันจะไปอ่อนแอง่นยหนาแงกิเลจะไปถลุงหมดเลยเนาะ พระเหมือนบ้า น, นวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่ลราพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระแต่เราไอ้ที่เดี๋ยวไปถลุงส ม, มุนมวลแล้วนะนี่ก็อ่อนใจน่ะสอนม า, มากก็มากต่อมากแล้วจะสี่สิบปีแล้ ว, วนหงนูเพื่อนมาไม่ทราบจะเอาอะไรมาสอนนะักหนาอเหนอยนื่อยแล้พูดกั้งที่สอนนี่ก็เอาอีละ เ, เลือกไปแล้วนะ ครับ yeah.